ก็ความต่อจากเมื่อเช้านะครับกล่าวถึงพระผู้มีพระภาคนี่นะครับไม่ได้ล่วงเลยเลยล่วงเลยขณะที่จะเข้าพระสมาบัติเป็นต้นนะครับพอได้ปัจจัยพร้อมพระองค์ก็จะเข้าพระสมาบัติเลยจริงอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกำหนดกาละโดยส่วนเบื้องต้นในขณะที่ บริษัทให้สาธุการหรือตรองธรรมะแลว้วส่งเข้าพระสมาบัติในขณะหายใจเข้าหายใจออกนะขณะนั้นก็เข้าได้แล้วนะครับเรว่าชำนาญมีวสีนะมีวสีในสมาบัตินะครับชำนาญในการเข้าชำนาญในการออกชำนาญในการนึดชำนาญในการตั้งอยู่แล้วก็ชำนาญในการพิจารณาอันหนึ่งเมื่อหมดเสียงสองสาธุการก็มิได้ทรงกาหนดนะครับ ทรงออกจากสมาบัติในที่สุดการตรองธรรมะแล้วจึงทรงแสดงธรรมะเริ่มตั้งแต่ตอนที่ทรงพักไว้จึงอยู่การเข้าสู่ผวังของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเบาบางคือผวังสับน้อยมากนะครับเพราะผวังไม่ได e มานานเหมือนกับคนทั่วไปนะครับผวังขั้นนิดหน่อยเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นในระหว่างที่คนคิดครุ่นคิดธรรมะนั้นอยู่เนี่ยพระองค์เข้าสมาบัติก่อน ผงรู้ว่าเขาจะใช้เวลาคิดชั่วกี่วินาทีเป็นต้นเนี่ยนะผมมองออกหมดนะครับเราจะเข้าพระสมาบัติเท่าไหร่ในเวลาเท่าไหร่ออกมาแล้วแสดงต่อยังไงเนี่ยนะสัมพันธ์กันหมดเลยผ oh, <me>, วังของพระพุทธเจ้านี่ก็ประมาณสักไม่กี่ครั้งนะครับสี่ห้าครั้งสี่ห้าดวงอะนะสี่ห้าขณะจิตแต่ของประชชนก็ไม่นับไม่หวาดไม่ไหวคือผวังของพระพุทธเจ้าก็ไม่กี่ดวงอะนะไม่กี่ดวงไม่ถึงสิบดวงแน่นะครับขณะจิตเนี่ยนะไม่ถึงสิขณาจิตแนะ่ แล้วก็สลับไปอย่างรวดเร็วพระพุทธเจ้าทั้งหลายเข้าสมาบัติในขณะหาย ใ, ใจเข้าหายใจออกพึงทราบความเป็นไปเนืองๆแห่งเคมาวิตกและปะวิเวปปวิตกของพระพุทธเจ้าด้วยอํานาจสมาบัติตามที่กล่าวแล้วอันเป็นไปในส่วนเบื้องต้นด้วยประการเช่นนี้สลับกับการเข้าสมาบัติแม้แต่ช่วงแสดงธรรมอยู่ความเป็นไปเนืองๆ น, นั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า มีธรรมนั้นเป็นสมมังคีและทรงบรรลุธรรมะอันกเกษมอยู่เพราะไม่มีภัยแต่ในไห น, ไหนด้วยอนุภาพแห่งอัพพยาป่าทวิตกนะครับคือพระองค์นี้มีความกเกษมเนื่องจากพระองค์ไม่ได้นึกเบียดเบียนใครแม้แต่นิดเดียวเลยนะครับนึกโกรธนึกตําหนิอะไรใครไม่มีและอวิหิงสาวิตกอันละความมีพยาบาทวิตกและวิหิงสาวิตกเป็นต้นนะครับ คือพระองค์นั้นเจริญกรุณากับเจริญเมตตาอย่างแยมากและแต่นั้นจิตก็มีความกเกษมปลอดภัยตลอดการเพราะฉะนั้นเขมวิตกแม้ทั้งสองอย่างก็ย่อมกระทําความกเกษมแก่ทั้งสองอย่างด้วยนะครับคือช่วยๆเหลือกันนะนะเกื้อกูลซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นกรุณาและเมตตานี่นะอ่าก็วิเวก มี3อย่างนะครับคือกายวิเวกจิตวิเวกอุปธิวิเวกและวิเวกหคือตทางค้าวิเวกนะครับก็คือช่วขณะนะวิคขำพนะวิเวกด้วยสงัดด้วยการข่มไว้สมุดเฉทวิเวกเป็นชื่อของอริยมรรต์ปฏิปัสสัตทิวิเวกก็เป็นชื่อของอริยผลนิสรณวิเวกก็เป็นชื่อของพระนิพพานย่อมถึงความบริบูรณ์ด้วยอนุภาพแห่งเนคขมะวิตกอันละความเศร้ามองมีกามวิตกเป็นต้นนะ ผู้ที่จะได้วิเวก3หรือวิเวก5เหล่านี้นี่นะครับจะต้องมากด้วยเนคขมะวิตกนะครับคือเนคขมวิตกนั้นก็เป็นไปในลักษณะแตะทางข้าวิเวกเป็นต้นนั่นเองผู้ที่จะได้เนคขมวิตกนั้นเนี่ยนะครับก็แสดงว่าละความเศร้าหมองคือกามวิตกได้วิตกนั้นชื่อว่าปวิเวกวิตกเพราะวิตกสหรคตด้วยความสงัดจากอารมณ์และจากสัมปโยค ตามสมควรนะครับคือสงัดจากกามะอารมณ์เป็นต้นแล้วก็ไม่มีกิเลสเข้าไปทำให้เสียหายอะไรก็วิตก2 อ, อย่างเหล่านี้แม้มีลักษณะที่แยกออกแล้วก็ยังเป็นไปเพื่อความเป็นอุปการะแก่กันและกันของผู้เป็นอาธิกรรมิกะนะครับรคําว่าอาธิกรรมิกะนี่หมายถึงผู้ที่เจริญหรือบำเพ็ญเริ่มต้นเนี่ยนะครับ ผู้ที่จะเจริญสมถะหรือเจริญวิปัสนาเป็นต้นเนี่ยนะครับจะต้องรู้จักเจริญทั้งปวิเวกาวิตกและก็เขมะวิตกด้วยนะเพราะว่าในทั้งเขมวิตกปวิเวกาวิตกนี้ก็อุปการะเกื้อกูลต่อการเจริญวิปัสนาครับจึงอยู่ปวิเวกาวิตกย่อมมีเพื่อเขมะวิตกอันยังไม่เกิด ที่เกิดแล้วก็เพื่อความไพ่บูรยิ่งขึ้นฉันใดเขมวิตกก็ฉันนั้นย่อมมีเพื่อปวิเวกวิตกอันยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นที่เกิดแล้วก็มีความไพ่บูรยิ่งขึ้นอธิบายว่าจริงอยู่เมตตาวิหารธรรมเป็นต้นจะมีไม่ได้ในระหว่างที่กายและจิตหลีกออกไปเพราะเว้นจากการละความพยาบาทเป็นต้นจิตวิเวกเป็นต้นก็มีไม่ได้เพราะเหตุนั้นเพึงเห็นธรรมะเหล่านี้ว่ามีอุปการะแก่กันและกัน คือหมายความว่าสมถะวิปัสสนานั้นเกื้อกูลต่อกันแม้แต่สมถะนะครับสมถะประเภทเมตาก็เกื้อกูลต่อสมถะประเภทกสินเป็นต้นนะครับก็เขมวิตกแลปะปวิเวกะวิตกของพระผู้มีพระภาคผู้ทรงละความเศร้าหมองได้โดยประการทั้งปวงย่อมนำ ประโยชน์สุขแม้เพียงขณะหายใจเข้าเพื่อประโยชน์แก่สัตว์โลกเหมือนันนะแค่หายใจเข้าหายใจออกนี่ก็เจริญความปรารถนาให้สัตว์มีความสุขหาประมาณนี้ได้แล้วนะครับพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกล่าวคําเป็นอธิว่าอัพยปัจชาราโมคือมีความไม่พยาบาทเป็นที่มายินดีดังนี้เพื่อทรงชี้แจงถึงวิตกสองอย่าง ที่ทรงยกขึ้นมาแสดงไว้แล้วด้วยประการชนีการไม่พยาบาทนะครับการไม่ทําให้ใครๆได้ยากชื่อว่าอัพยาปา ช, ชะนะครับคือหมายความว่าไม่ทําให้ใครเดือดร้อนอะไรเลยสักนิดนึ่งะนะความไม่พยาบาทนั้นชื่อว่าอัพยาปาชะรามโมเพราะมีความไม่พยาบาทเป็นที่มายินดีคือยินดีแล้วในความไม่พยาบาทานะนะคือไม่ยินดีในการ เสวันะเนี่ยคือคือลักษณะที่ว่ายินดีให้เมตตาเนี่ยเกิดเนืองๆบ่อยๆนี่นะครับยินดีในลักษณะนี้แต่ไม่ใช่ว่า โ, โหยินดีคลุกคลีนะครับไม่ใช่ยินดีแบบนั้นคือยินดีให้เมตตาเกิดแต่ไม่ได้ยินดีในการคลุกคลีการผูกพันเป็นต้นนะครับบทว่าเอเสวะเป็นต้นก็เปรียบกับเรื่องสั์แสงนะครับเป็นวิธีตัดบทว่าเอโซเอะนะครับถ้าจะแปลสัพท์นั้นให้เข้าใจก็ต้องรู้จักตัดบทให้ถูกนะครับ เป็นหลักของการแปลบทว่านะกินจิพยาพาเทมิได้แก่เราจะไม่เบียดเบียนไม่ทำให้ในบรรดาสัตว์ที่เลวเป็นต้นไรๆผู้สะดุ้งเพราะประกอบด้วยความสะดุ้งคือตันหาเป็นต้นผู้มั่นคงเพราะละกิเลสเครื่องอันทำให้ความดิ้นรนได้แล้วเพราะไม่มีความพยาบาทนั้นให้ลำบากคือหมายความว่าเมตตาของพระองค์เนี่ยนะครับ ไม่นึกเบียดเบียนแม้กระทั่งพระอรหันต์หรือคนมีกิเลสนะคะคนมีกิเลสสัตว์เลวสัตวร์ปรนิสสัตว์ดีสัตว์ชั่ว ย, ยังไงก็ตามใจก็เป็นไปกับเมตตาเหมือนกันนะครับเจริญเมตตาไปหาพระอรหันต์หรือเจริญเมตตาแก่ผู้มากไปด้วยกิเลสตันหาพระองค์ก็มีเมตตาในสัตว์เหล่านั้นทั้งหมดเหมือนกันนะครับพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีพระมหากรุณาเป็นอัจฉาิยนะครับอาศัยาของพระองค์นะ มากด้วยพระมาหากรุณาสมมาบัติตรัสไว้อย่างนี้สมควรแก่พระมาหากรุณาเป็นอัจฉรสายที่พระองค์ทรงปราบปลื้มเป็นอย่างยิ่งนะครับปีติสมนัตินะครับในขณะที่เจริญกรุณาด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทร ง, สงสแสดงถึงอวิหิงสาวิตกและอัพยาปาทวิตกพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสข้อนี้ไว้ว่าเราปฏิบัติอย่างนี้อยู่ด้วยสมมาบัติวิหารธรรมอย่างนี้รับ สักการะความเคารพการนับถือการไหว้และการบูชาที่ผู้ปรารถนาบุญธรรมอย่างนี้ด้วยกิริยาท่าทางนี้คือด้วยการปฏิบัตินี้จึงไม่เบียดเบียนสัตว์ไรๆอีกประการหนึ่งเราเพิ่มพูนประโยชน์สุขทั้งที่เป็นทิฏฐธรรมิกะทะประโยชน์สัมปรายิกะทะประโยชน์และประมาถประโยชน์แก่สัตว์เหล่านั้นดังนี้คือหมายถึงว่าพระองค์นี้ทําตัวเป็นผู้คู่ควรแกแก่ การกราบการไหว้การลุกรับการเชื่อเชิญการบูชาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะบูชาด้วยจีวรเป็นต้นนะพระองค์ทำตัวให้คู่ควรแก่ปัจจัยสี่นะครับ เพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์ปฏิบัติตัวในลักษณะนี้การบูชาด้วยปัจจัย4ี่ดอกไม้ของหอมอมิตรบูชาปฏบิบัติบูชาเป็นต้นต่อพระองค์สัตว์ทั้งหลายจักได้รับประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลไม่ว่าจะเป็นประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าและก็ประโยชน์อย่างยิ่งนะครับนี่คือหมายถึงที่พระองค์เจริญวิเวกทั้งหลายนี่นะครับเจริญวิตกทั้งหลายแบบนี้อยู่บทว่ายังอากุสลังตังปหินงังความว่าเราละคือถอนอกุศล หน0่ 1> 1, 500, และมีประเภทมากมายสัมพยุทธะกุศลนั้นทั้งหมดณโนะคนโพนั่นเองด้วยบทนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงถึงสมุดเฉทะปหาณวิเวกและปฏิปัสสติวิเวกพร้อมกับนิสรณวิเวกอันเป็นวิเวกที่พระองค์ทรงยกขึ้นนะคือหมายถึงพระผู้มีพระภาคเนี่ยนะครับพระองค์นี้ทรงละกิเลสตั้งแต่แรกตรัสรู้ใช่ไหมครับละกิเลสตอนตรัสรู้ พอตรัสรู้ก็ละกิเลสเลยทีนี้พอละกิเลสแล้วนี่นะครับขณะอริยมรรคเกิดขึ้นอริยผลก็เกิดขึ้นโดยที่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์เพราะฉะนั้นสมุทเฉทาปหาณวิเวกก็หมายถึงมรรคนั่นเองโดยเฉพาะอารหัตตมรรคนะครับปฏิปัสัททิวิเวกก็อรหัตตผลและก็พระนิพพานซึ่งเป็นอารมณ์ของสมุทเฉทะและปฏิปัสัตทินั้น แต่ในข้อนี้อาจารย์บางพวกยกขึ้นแม้ในต่ทางคาวิเวกและวิขำพนะวิเวกอันที่จริงในข้อนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถึงความสิ้นกิเลสของพระองค์พร้อมด้วยปฏิปทาที่พระองค์ทรงบรรลุด้วยประการชนีนะครับคือที่พระองค์ทรงบรรลุวิเวกทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยเพราะพระองค์ละกิเลสนะครับจึงได้ทรงบรรลุ ด้วยเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยังพระอัธยาศัยในปวิเวกนะครับคือการเข้าสมาบัติเป็นต้นเนี่ยนะที่พระองค์ทรงสั่งสมมาตลอดกับอันนับไม่ได้ให้ถึงที่สุดพร้อมกับพระอัธยาศัยในการออกไปแล้วก็ทรงเข้าพระสมาบัติอันมีการออกไปนั้นอนะ่ะเป็นอัธยาศัยนิสรณะใช่ั้มครับนั่นคือมีนิสรณะนี่นะครับมีการสลัดออกนั่นแหละ เป็นอัธยาศัยของพระผู้มีพระภาคทรงทําให้แจ้งด้วยหัวข้อคือการสละกิเลสและการพิจารณาของพระองค์ในข้อนี้พระศาสดาทรงยกวิตกสองอย่างเหล่านี้เพื่อเนื้อความอันใดบัดนี้เพื่อจะทรงแสดงเนื้อความอันนั้นจึงตรัสําเมียที่ว่าตสมาติหะพิขเวดังนี้จริงอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเริ่มพระธรรมเทศนานี้ อันว่าด้วยวิตกสองอย่างนี้เพื่อให้ภิกษุทั้งหลายตั้งอยู่ในวิตกนั้นด้วยหัวข้อคือการแสดงถึงความเป็นไปเนืองๆของพระ อ, องค์นะครับเอาสิ่งที่พระ อ, องค์นี่นะครับเจริญและประพฤติปฏิบัติเนี่ยว่าภิกษุเนี่ยควรปฏิบัติเช่นนี้อ่า ง, งั้นเถอะนะโดยปฏิบัติตามเยี่ยงอย่างของพระ อ, องค์นั่นเองในบทเหล่านั้นบทว่าตัสมาได้แก่เพราะเขมวิตกและปะวิเวกวิตก เท่านั้นย่อมเป็นไปในเนือ ง, งแก่เราผู้ยินดีในอัพยาปา ช, ชวิเวกนะครับบทว่าอัพยปัชารามาวิหาระถ า, ามว่าเธอทั้งหลายจงเป็นผู้ยินดีด้วยเมตตาวิหารธรรมและกรุณาวิหารธรรมในสัตว์ทั้งปวงอยู่เทิดนะนะให้เจริญเมตตาเจริญกรุณาต่อสรรพสัตว์เหมือนกับที่พระองค์เจริญเธอนะด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้า จึงตรัสถึงการกระทำพยาบาทและกิเลสอันตั้งอยู่ในที่แห่งเดียวกันกับพยาบาทนั้นให้ไกลแสนไกลคือถ้าหากว่าเมื่อเจริญเมตตาต่อสัตว์ทั้งหลายโดยมากอยู่นะครับพยาบาทก็ไม่เกิดนะครับยิ่งเจริญมากเท่าไหร่พยาบาทก็ยิ่งหนีไปไกลเท่านั้นนะครับแต่ถ้าหากว่าเจริญโทสะมากเท่าไหร่เมตตาก็หายไปเท่านั้นนะครับ เพราะฉะนั้นเมตตากับพยาบาทนี้เป็นปฏิปักษ์ต่อกันและกันนะครับถ้าหากว่าหนักไปทางพยาบาทวิตกเมตาก็หายไปถ้าหนักไปทางเมตตาพยาบาทก็หายไปนะครับเพราะฉะนั้นพระองค์จึงเน้นให้เจริญเมตตาและกรุณาให้มากๆนะครับเพื่อที่จะละพยาบาทละกิเลสละวิหิงสาความนึกเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลาย บอกว่าปวิเวการามาวิหารถ่าความว่าพวกเธอจงกระทําวิเวกทั้งหมดคือวิเวกมีกายวิเวกเป็นต้นนะครับให้เจริญกายวิเวกจิตวิเวกและอุปธิวิเวกให้มากๆนะนะครับแล้วก็เจริญวิเวกมีตะทั้งขาวิเวกวิัำพนาวิเวกสมุทเฉทวิเวกปฏิปัสสติวิเวกแล้วก็นิสรณะไปวิเวกนะครับให้เป็น ที่ควรมายินดีอยู่เถิดนะให้ยินดีในวิเวกเหล่านี้นะเนี่ยคาสอนที่พระองค์ทรงขับเน้นมากคือเน้นให้เจริญวิเวกทั้งหลายเหล่านี้นะครับเน้นกายวิเวกก็คือไม่เน้นการคลุกคลีเน้นจิตวิเวกก็คือไม่คลุกคลีทางจิตนะครับแม้ไม่ใช่โหไปอยู่คนเดียวแล้วก็ไปคลุกคลีทางความคิดคิดไปหาคนโน่นกันนี่ไม่ใช่นะจะต้องสลัดออกแม้กระทั่งความคลุกคลีทางความคิด แล้วต่อยันนึกคลุกคลีในสังขารทั้งหลายนะให้มีนิพพานเป็นอารมณ์นะอย่าคลุกคลีกับสังขารนะพระองค์ก็ฉลาดนะเบื้องต้นให้ไม่ให้คลุกคลีทางกายก่อนหลังจากนั้นไม่ให้คลุกคลีทางความคิดหลังจากนั้นก็ไม่ให้คลุกคลีในสังขารทั้งหมดเลยนะครับคำว่าคลุกคลีในสังขารก็มีสังขารเป็นอารมณ์นั่นเองนะครับเมื่อมีสังขารเป็นอารมณ์ก็ชื่อว่าคลุกคลีกับสังขารถ้ามีนิพพานเป็นอารมณ์ก็สลัดออกจากสังขารทั้งหมด นะครับก็เป็นวิสังขารนิพานเป็นวิสังขารคือไม่ใช่สังขารบทว่าอิมายะมายังเป็นต้นเป็นบทแสดงถึงอาการเป็นไปแห่งเขมวิตกของพิสุเหล่านั้นฉันใดบทว่ากิงอากูสลังเป็นต้นเป็นบทแสดงอาการเป็นไปแห่งปะวิเวกวิตกชันนั้นนะครับคือใหอ้ทั้งการเจริญเมตตาการเจริญกรุณาก็ให้มากมากนะครับแล้วก็ให้เป็นไปกับ การเจริญกายาวิเวกเป็นต้นการเจริญกายาวิเวกเป็นต้นก็สัมพันธ์กับการเจริญ เ, เขมวิตกหรือการเจริญเมตตาเป็นต้นนั่นเองนะครับสรุปแล้วพระองค์ขับเน้นให้เจริญทั้งศีลสมาธิและปัญญานั่นแหละครับในบทนั้นมีความว่าอันผู้ใคร่จะบำเพ็ญธรรมะที่ไม่มีโทษเป็นผู้สแสวงหาว่าอะไรเป็นกุศล น, นะครับควรกระทําการสแสวงหากุศลธรรมฉันใด แม้ผู้ใคร่จะละรมอันที่มีโทษก็ไม่ควรกระทําการสแสวงหาอากุศลฉันนั้นเห็นไหมไม่ได้สอนให้ไปมีโลภะก่อนนะค่อยละโลภะอย่าไปทําอย่างนั้นนะนะบางบา ง, บางท่านก็บอกว่าค่าๆว่ า, า, า, า, าโลภะเกิดขึ้นก่อนจึงค่อยกำหนดรู้โลภะใช่ไหมครับถ้าอย่างนี้เนี่ยเป็นความเข้าใจผิดพลาดอย่างมหาศาลนะครับเพราะฉะนั้นที่ยกให้เห็นว่า ผู้ที่จะเจริญหรือจะบำเพ็ญธรรมที่ไม่มีโทษก็ควรสแสวงหาว่าอะไรเป็นกุศลเนีย่ยนะครับควรสแสวงหากุศลควรเจริญกุศลแต่ผู้ที่จะละอกุศลเนี่ยนะครับละธรรมะที่มีโทษเนี่ยไม่ควรสแสวงห า, ากุศลเลยไม่ควรให้อกุศลมันเกิดก่อนอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่ากิงอกุศลังเป็นต้นจริงอยู่ปริญญาภาวนาปหานาภาวนาและสัจฉิกิริยาภาวนาเป็นเบื้องต้นแห่งอภิน ญ, ญา คือหมายค่ว่าอภิญยาเนี่ยหมายถึงการตรัสรู้จริงๆนะครับหมายถึงขณะอริยมรรคเป็นต้นเนี่ยนะก่อนหน้านั้นจะต้องปริญญาภาวนาคือกาหนดรอบรู้ปหานภาวนาเจริญด้วยการละสัชกิริยาภาวนาก็ต้องทําให้แจ้งก่อนอเมื่อมีการกาหนดรู้มีการละมีการทาให้แจ้งจึงมีการรู้ยิ่งนะครับเรียกว่าอภิญยาในบทเหล่านั้นบทว่ากิงอากูสลังความว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงถึงวิธีพิจารณาอากุศลโดยกิจนะนะว่าอะไรชื่อว่าอากุศลนะโดยสภาวะอะไรชื่อว่าเป็นลักษณะนะอกุศลแต่และอย่างมีลักษณะอย่างไรหรืออะไรชื่อว่าเป็นกิจนะครับเป็นรสะเป็นอาการปรากฏและเป็นเหตุใกล้แห่งอากุศลเหล่านั้นจะต้องวิจัยทั้งหมดนะครับซึ่งเดี๋ยวจะศึกษาถึงข้างหน้านะครับที่ว่า พิจารณาการมาฉันทานิวรนเหตุเกิดของการมาฉันทานิวรนความดับของการมาฉันทานิวอนเป็นต้นเนี่ยนะจะต้องเรียนรู้วิเคราะห์วินิจฉัยสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดเลยนะครับว่าโลภะถ้าจะเกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นเพราะปัจจัยอะไรอันนะถ้าเกิดขึ้นแล้วจักละได้เพราะธรรมะอะไรเป็นต้นเนี่ยจะต้องวินิจฉัยวิจัยได้อย่างละเอียดละออยอย่างถี่ถ้วนนะครับอันหนึ่งวิตกนี้มาแล้วโดยอาธิกรรมมิกะคือผู้ทำครั้งแรกนะครับ คือพูดถึงผู้ที่จะวินิจฉัยหรือวิจัยอะวิจัยเกี่ยวกับอกุศลโดยยกอกุศนมาทําปริญญานะครับอย่างในสติปัฏฐานใช่ไหมครับเช่นพึงรู้จักจักขูพึงรู้จกัจ ก, รจกรูปหรือสีเนี่ยนะพึงรู้จักสังโยชน์ที่อาศัยจักขู่และรูปเนี่ยนะว่าสังโยชน์เหล่านี้เนี่ยนะที่ยังไม่เกิดจะเกิดด้วยประการใดก็รู้ชัดประการนั้นด้วยนะสังโยชน์ที่เกิดขึ้นแล้วจะละได้ด้วยประการใดก็รู้ชัดประการนั้นด้วย สังโยชน์ที่ละได้แล้วเนี่ยนะจะไม่เกิดต่อไปอีกด้วยประการใดจะต้องรู้ชัดประการนั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเท่ากับพระองค์ทรงแสดงธรรมานุปัสสนานั่นเองนะคะับททั้งสองว่ากิงอัปะหีนังกิงอปะชาหามะนะครับมาแล้วโดยพระเสขผู้ยังต้องศึกษาเพราะฉะนั้นบทว่ากิงอัปะหีนังได้แก่ในบรรดาอาุสุลธรรมทั้งหลายมีการมราฆะสังโยชน์เป็นต้น อกุศลอะไรที่เราทั้งหลายยังตัดไม่ได้ด้วยมั้งนะคือถึงพระเสขะทั้งหลายเป็นต้นเนี่ยท่านจะต้องใคร่ควรคร่ควรว่าเอ๊ะกิเลสอะไรที่ยังในทวาร6ที่ยังละไม่ได้บ้างก็ต้องวินิจฉัยทั้งหมดนะครับอ๋อยังเหลืออันนั้นอันนั้นอันนั้นส่วนนั้นละไปแล้วละไปแล้วเนี่ยนะลักษณะพระเสขะจะเป็นลักษณะนั้นบทว่ากิงปชะหมามะได้แก่เราจะถอนอากุศลอะไร อีกอย่างหนึ่งบทว่ากิงปชาหามะเนี่ยนะครับบัดนี้เราจะละอกุศลอะไรในวิตกปริยุทธานและอนุสัยนะครับคือจะละบาปอากุศลธรรมทั้งหลายนี้ได้อย่างไร